ขอยกตัวอย่างคํากล่าวของพระผู้ปฏิบัติดีผู้เป็นพระบูรพาจารย์ใหญ่หลายท่านที่ได้กล่วถึงหลวงตาพระมหาบัวไว้ดังนี้ในอนาคตเบื้องหน้าพระมหาบัวผู้นี้จะทำประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและพระศาสนาพระอาจารย์มั่นผูริทัตตามหาเทระพระบูรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนากรรมฐาน กล่าวพยากรไว้เมื่อพุทธศักราช2482และยังกล่าวไว้อีกว่าท่านมหาบัวนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งของหมู่คณะในวันข้างหน้านะในยุคบ้านหนองผืออาจารย์มหาบัวลึกซึ้งมากทุกวิธีทางท่านพระอาจารย์มั่นไว้ใจมากกว่าองค์อื่นๆในกรณีทุกๆด้าน หลวงปู่ล่าเขมปาปโตวัดผู้จอก้อุกดาหารหลวงตามหาบัวเป็นพระอรหัน100ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ฤทธิ์ก็เยอะนะเสดายที่โยมพ่อโยมแม่ของอาตมาตายไปเสียก่อนหาไม่แล้วจะต้องให้มาทำบุญกับหลวงตาซสเลยทีเดียวสิ่งที่หลวงตามหาบัวทำถูกต้องทุกอย่าง อาตมาไม่มีข้อสงสัยให้ทำตามหลวงตาให้หมดคำกล่าวของหลวงพ่อสังวานเขมมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมสุพรรณบุรีพระอาจารย์ของหลวงพ่อสนองกะตาปุญโญวัดสังฆทานนนทบุรีในยุคนี้ไม่มีใครเกินหลวงตามหาบัวหลวงพ่อแนนสุภัทโทวัดสซำขาวท่ำยาวจังหวัดขอนแก่น ผมยอมท่านอาจารย์ดูลักษณะท่าทางนี่ไม่ผิดกับท่านอาจารย์มั่นผมจับได้หมดเลยผมเคารพสุดยอดหลวงปู่เจียจุนโทวัดป่าภูริทัตปฏิปทารามใหรีไปกราบหลวงตามาหาบัวเสวียไวที่สุดเถิดเพราะหลวงตาท่านเข็นสังขารคือต่ออายุมาให้นานถึงสิบกว่าปีนี่แล้วนะ พระอาจารย์แบนวัดดอยธรรมเจดีกล่าวกับสิทธิ์ตอนหลวงตามหาบัวเจริญอายุได้90สปีเมตตาของหลวงตามหาบัวที่ได้ออกมาทำโครงการพระป่าช่วยชาตินั้นเปรียบเสมือนกับพื้นแผ่นฟ้าที่โ่มคลุมคือปกป้องแผ่นดินไทยไว้ทั้งหมดเลยทีเดียวสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดประวณนิเวตวิหารถ้ามีถึงขั้นจริงๆแล้วแล้วก็จะถามปัญหาแบบนี้ไม่ได้หรอกนะหลวงปู่แหวนสุจินโนกล่าวชมหลวงตามหาบัวในการสนทนาถามปัญหาธรรมครั้งหนึ่งหลวงพ่อพุท ธ, ธนิโยได้สรุปในตอนสุดท้ายว่าเนี่ยล่ละท่านผู้เป็นพระอรหรันต์ หมดอาสวะกิเลสแล้วยังแท้จริงย่อมเป็นอย่างนี้นี่แหละ